รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรูด้ถูกแต่ความรู้นั้นจะไม่เกิดประโยชน์เจอเราของเมื่อใดเรายังไม่ทำให้เกิดขึ้นเช่นพระสูตรที่เราสวดเป็นทางนักบวชรืองแปดประการ ทางไม่ใช่มีเฉยๆเอาไว้ให้เดินมีทางสมนนทางเอาไว้ให้เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางทางชีวิตของเราก็ต้องเดินลงไปทํางลงไปเดินทางสายนี้ก็เป็นฉีดเป็นสมาธิเป็นปัญญาถึงจุดหมายปลายทางคือฉีลสมาธิปัญญา ถิงฐสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกนจัดชิเลตอ่างหยาบต่างกลางอย่างละเอียดอยู่ในชีวิตของเรานี่การโดนคือขนส่งขนส่งออกไปได้ว่ามันหลงขนส่งไอ้พ้นจาความหลง มวนทุกข์ขนส่งใอ้พ้นจากความทุกข์อะไรที่มันเกิดทำให้เป็นไปเพื่ความทุกข์เป็นไปเพ้ความมากบ้าาสะสมกิเลสกดแล้วกดอีกการสะสมกิเลสหลงแล้วหลงอีกเป็นการสะสมกิเลส บ่อยๆก็หลงบ่อยๆก็เป็นทิฏฐิหลงบ่อยๆก็เป็นนิฏฐิในความหลงความโกรธความโลภมันเป็นกิเลสเป็นอกุศลเป็นลาภเก้าของอุศลการขนส่งเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนโลภเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูป เป็นการถอนลากเง่าของอกุศลเมื่อถอนลากเง่าเมื่อไม่หลงเมื่อไม่ตโตดเมื่อไม่ทุกข์ก็เป็นกุศลกุศลก็เกิดขึ้นเรื่อยๆจะเลินขึ้นเรื่อยๆจะหลาดขึ้นเรื่อยๆไปถึงสมาธิไปถึงสติไปถึงสมาธิ ไ, ไ, มาธไม่มี อะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่สติเนี่ยเหลย อ, อยู่ตอนถึงจุดหมายปลายทางที่นั่นเป็นมักเป็นผลเป็นนิพพานจุดหมายปลายทางคือมักผลนิพพานถึงสติสมาธิ เ, าเริ่มต้นจากบรรยา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 เป็นลว่ลอมไว้สำหรับคนเก้อยากงา น, นลู่ว้อมบ้านสำหรับคนที่เก้อยากคนโลภในลู่ก็พอที่จะขวงก็ได้บ้างแต่ถ้าจริงๆก็ขวงไม่ได้สมาธิเนี่มันก็เป็นความปลอดภัย บ้านไม่ต้องปิดประตูถ้าถึงสมาธิถ้าถึงปัญญามันก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วเราจึงชีวิตของเราเนะี่ยเอาจนให้มันหมดปัญหาไม่มีอะไรทําที่สุดแห่งทุก ด้วยโชติแทงปัญหาทั้งหลายที่ว่าแผ่นดินสุดไปไหนไม่ได้อีกเหมือนพระพุทธเจ้าตัดออกจากพระขององค์นวันตัดสลูกว่าชาชื่นแล้วผมว่าจันย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วมันไม่อะไรทำมันก็จบมันจบเป็น เมื่อมถึงจุดหมายไปทามก็แสดงถึงว่ามันถึงไม่ต้องถามใครตั้งแต่เริ่มต้นด้าเราลู่สึกตัวเหมือนเจอความหลงลู่สึกตัวความหลงมัเป็นไงความลู้สึกตัวเป็นไงไม่มีคำถามก็ผ่านไปผลจงผ่านไป แต่ว่าการด่วนสายด่วนที่สุดคือสติโดยเฉพาะกรรมฐานเป็นสายด่วนกว่าสมมธิทิศไม่จะเป็นปัญญาแต่มันก็ต้องเดินเหยียบเส้นทางให้ถูกมีสติเป็นสายด่วนตรงกันข้าม ความหลงทำให้เนิ่นช้าความรู้ทำให้ผ่านไปความทุกข์ทำให้เนิ่นช้าความรู้ทำให้ผ่านไปทุกคนก็ต้องผ่านตรงนี้ใจใจตรงนี้บ้างถ้าไม่ผ่านก็มไม่ไปถึงไหนอย่งเวียนว่ายแต่เกิดอยู่มีค่าอะไรผ่านตรงนี้แหละเจ้าแรก อะไรที่มันต้องผ่านเยอะแ ย, แยเะเวลาเราเดินทางก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีสติวิชากรรมฐานเกิดขึ้นก็จะมีสิ่งที่ขวงขันหวง ม, มุ่งองหอยนอนตำราเลยสงสัยความชิดพุ่งซ่านปยา บ, บาทกรรมละคะปฏิฆะทิฏฐิทั้งหลายที่มันเคย ชิ้นนะมันก็จะโชเหมือนกับเราเดินทางมาันต้องโชวความเหนืหน่อยเมืยอวรล่ะไม่มีใครไม่เหน็ดไม่เดือยปวดขาปวดแคบปวดขาแดดเราก็ร้อนร้อนทั้งบนร้อนข้างล่างแผ่นดินก็ร้อนข้างบนก็ร้อนแสงแดด ข้างล่างก็ร่อนแผ่นดินวันเท่าหน่อยก็หน่อยปวดก็ปวดนั่นหมาเป็นอุปสรรคในการเดินทางมันต้องเจอจึงเหล่านั้นแน่นอนการเดินทางการมีสติก็จงเจอความหลงชื่อต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าอะไรมันเกิดขึ้ น, นรู้นั่นเรียกว่าผ่านไปแล้วเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นก้า ว, ปาวไป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 แล้วก็เดินใครก็ปวดไม่เห็นขาท่านขาดไม่เห็นเอวท่านขาดไปไหนยังมีชีวิตอยู่ 80, 90, ปแปดสิบเก้าสิบปีพวกเราเนี่ยยังหนุ่มยังสู้ยี่สิบส0มสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยสู้เสือทุกท่า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 เอาช่วงนี้เอาช่วงนี้เป็นการศึกษาชีวิตของเราถ้าจะสร้างอะไรก็สำเร็จสร้างมรรคผลก็สำเร็จพระอาหันตทั้งหลายอยู่ในอายุปูนนี้เพราะดันแต่ถ้าปูนนี้เป็นกระแสไว้เมื่อปูนสัญญาสี สืบสานไปช่วงสะสมสัญญาศีตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีน่ะมันก็กินมอดกเดิมจากมีมาแต่ก่อนถ้าไม่มีมอดกในการทำไหวก็ก็ก็น่าสงสารมากเคยไปรั่งสอนคนแก่ สามาทีบอกให้ยกมือช่างจังหวะทำไม่เป็นเลยยกมือไปแป๊บแป๊ปเดี๋ยวก็ขว้าใจกัดต้ามากพูดเรื่องอะไรต่างๆไปเอาไม่ได้มันเคยกินพูดเรื่องลูกหลานเรื่องการก่อสร้างเรื่องการทำบุญตํำบุญมาก สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระโพธิโรูกใหญ่ที่สุดเมื่อมาสองกรรมฐานไปหาอันนั้นเราไม่ได้ถามเล่าให้ฟังไปเลยสร้างพระประธานใหญ่ที่สุดอทองสร้างรอยทองหมดไปแล้วเป็นสิบล้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวขออีกสิบมาขออีกล้านว่าจะให้เสร็จ ก็ไม่เสร็จขออีกร้านก็ไม่เสร็จก็จะให้เสร็จก็เลยเกิดเป็นทุกข์เป็นปัญหากับพระให้ไปที่ระล้านละล้านไม่เสร็จทั้ทีสิบกว่าล้านยังวมาเสร็จบ่นอยู่เป็นการบ่นให้เราฟังเราไปสอนแทนที่จะเชื่อเราก็เลยไม่รู้เรื่องนี้เลยมืดไปเลยบอดไปเลย ถ้าวมามีอาสมตั้งแต่ที่แรกก็ลำบากแต่ถ้ามีอาสมภูมจารีคฤหัสถันาปลดลาสมของชีวิตแต่ว่ามีสี่อาสมภูมจารีหนึ่งปีถึงยี่สิบปี การเลือหัด2 0ปีถึง4 0ปีวันถ้าประหลัด4ปีถึง 6-10 ปีแล้วสัญญาสี7 0ปีถึง8 0 9 0ปีเนี่ยเรียกว่าการเอดหัดต้องต่อบไปอาสม10ปี20ปีเนี่ยเอาให้มันบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ พวจันทร์คือภวจันทร์คือบริสุทธิ์ก็ิหัสคือเมื่อช่วงสา4สิบสี่สิปีเนี่ยอาจจะมีครอบมีครัวต้องสู้กลัวโจดอยากมีลูกไปเต้านั่งๆ น, นอ น, น, อนไม่ได้อายุช่วงนี้จะมานอนจะมานั่งดูทีวีไม่ได้แล้วมีลูกก็ต้องหวางลูกรักขันท้าก็ต้องหวาง เช่นพ่อแม่เราลูกลองให้เฉยทำนาอยู่กลางแดดเกี่ยวข้าวอยู่กลางแดดเอาลูกไปเข็นดู้กลางแดดบางทีกินข้าวกลางคันนาอยู่ไม่ได้ช่วง น, นี้เมื่ออาสมนี่ผ่านไปสา4สสี่สปีอาจจะมี ทรับสมวัติบ้างล่างขึ้นมาพอได้อยู่ได้กินวันนัประหลัดห้าสิบปีถึงหกสิบปีมาแล้วปลัดอาจมีลูกเขยลูกสะพ้ายถ้าเป็นคนดีก็ได้คนดีให้เป็นคนชั่วก็ได้คนชั่วบุญต่อเอาบุญบาปต้องต่อเอาบาปมันก็ต่อไป ผู้มีบุญผู้มีความดีก็ได้ความดีอาจจะมีการศึกษาลกเลียนลูกหลานเก่งขึ้นมาช่วงหลวงตาไปเชียงใหม่ไปพักบ้านดายการก็มีลูกชายลูกสาวเรียนเก่งเวลาเราฉันข้าวเอาเข็มมาตีให้ฟัง น, น้องสาวเป็นคนฟ้อนรำใส่เข็ม ลูกสาวลูกชายคนหนัง่งลูกสาวคนหนึง่งไม่เคยเห็นเด็กที่จะต้องเก่งปบนนั้นเพราะอะไรเพราะพ่อเขาเป็นเอกการแม่เขาเป็นครูต่างคนต่างมีความดีเป็นอาสมตั้งแต่ผมมจารีครหัดวันนาปลดลก็คกอต่ไปถึงอาสมสุดท้าย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 ไม่ใช่ไปบีวันพวกนี้แต่มันจะดีวันพวกนี้ก็ต้องไหวเดี๋ยวนี้ถ้ามันหลงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้พวกนี้ก็ต้องหลงถ้าเราทุกวันนี้ไม่เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้พนี้ต้องทุกข์เพราะไม่ขนส่งไ ม, ไ ม, ไม่มีทางแต่ไม่ขนส่งไปนิดหน่อยก็หยุดไม่ถึงไหนไม่ผ่านความหลงสักที กายก็ไม่ผ่านเวทนาก็ไม่ผ่านจิตก็ไม่ผ่านทรรมก็ไม่ผ่านโจว์ไม่แจ้ไม่หลุดไปทีงไหนแล้วก็ยังหลงอันเก่าความหลงอันเก่าหลงแล้วหลงอีกบางทีล่อยข้างฝันหนเฉยได้เอาจริงๆเราโดนเนี่ยให้ต่อหน้าต่อตา เนี่ยมันก็มีหลักอยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยพราะวหลงก็บรู้อยู่เนี่ยฐานไม่อยู่ตรงนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ชื่นใจมากเรามีหลักฐานองอาจนั่งวางกายวางใจกับคม ร, รู้สึกตัวเดี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับอยู่บ้านบ้านพ่อ กาเราพัดหนี้ไปจากนี่เมันคนไกลบ้านเราอยู่บ้านพอ่อ <c oughs> ดูสึกตัวเนี่ยไปกลัวอะไรพระเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วไม่ใช่อยู่ที่ไหนแต่เรามีสติก็พระเจ้าก็อยู่เฉพาะนี่พระเจ้ทาทําตนี้การโคเขนออกการเหยียเฉ็นออก ด่านคู่แข่งเข้านี่พระเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยไปกลัวอะไรช่วงอายุสี่สิบห้าสิบปีนี่มันก็เข้มแข็งมากคิดว่างูจะไม่กัดเสือก็จะไม่กัดช้างก็จะไม่ทำลายอะไรก็จะไม่ทำลายมันเข้มแข็งขนาดนั้นเดินจาก เลาไก่ขึ้นไปกะดสิบสามไม่สายไปเลยกลางคืนเดินไปเลยเดินลงเดินขึ้นเดินลงขึ้นงูจะไม่กัด เ, าเราเห็นงูตะหา ง, งูเลย <c oughs> งูจงกเรเลื่อยไปขวางทางยืนดูมันทีแรกมันก็เดินมันก็นมามันก็เห็นเราก็ชูคอขึ้น เราก็เยือนดูมันก็มุดไปก็เดินด้วยมันก็ไปเข้าป่าไปทางแคบๆเราก็เดินไปเตะหางูไปเลยงูก็เฉยเลยเข้าป่าไปเลยมันก็ชิดแบบนั้นนะเดินขึ้นเขาอ๋อพูดเจ้าหน่อยได้ไหม <laughs> มันสู้เสือทุกท่านะมาจากกรุงเทพ นายถึงเจงก็หกโมงแล้วนิดว่าจะเดินออกมานอนเถียงหนาบ้านนั่นนะวัดก็มีทําไมไม่คิดไปนอนวัดจะมานอนเถียงหนาชาวบ้านแถวแถบทางนนอนไงก็ได้เหมือนหมูเหมือนหมาเคยผึกมานะเวลาเดินจงกรงอยู่พุทธยยนน่ะกลางคืนน่ มันง่วงมันถึงเวลานอนแล้วเพื่อนเงียยหมดตะเคียงเราหมดแล้วว่าคงหมนอนบนทางเดินจงกรม่มุดหลับนะเหมือนบาสตัวหนึง่งไม่ระวังอะไรไม่มีการระวังอะไรเลยพุทธยายทางเหมือนกับสุกโตทางไม่มีผลหนนะมาเดินขึ้นเขา พอเดินออกจากแกงค้อมาฝนตกฝนตกไม่มีร่มนะเปียกเอาว่าจะนอนก็นอนไม่ได้เรากรีบวอนเปียกหมดเลยทำไมา่เดินแม่มันมวิ่งเราเดินเล่นๆไปแต่ก่อนทางขึ้นเขาทางจากแกงค้อมาคุกกงไปทางเกวียนนะาทางรดว่างแต่มันเป็นทางเกวียนไม่มีลูกหลังเท่าไหร่มีคลนมีอะไรต่างๆลุยมา บางทีก็ลุยโคนมันไม่ไหวก็ไต่คด่าสจชาใสขวาไม่มีไฟฉายมืดมามาถึงบ้านโคกกงน่ชาวบ้านนอนหมดเดินผ่านหมู่บ้านยองไปกลัวหมาจะไล่กลัวหมาจะกัดหมาไม่โหดสักตัวเลยลเดินผ่านบ้านโคกุงมาขึ้นเขามาบางทีหลงหลงทาง มองข้างล่างมาเห็นต้องมองช่องฟ้าบา <c oughs> <c oughs> งทีตามรั่วรั่วถนนตามทางไม่ได้มันมีขี้โกนค่อยๆ ค, คำไปตามรั่วบปทุกไหมไม่ทุกสนุกฮะรอถึงเตี้ยเขาขึ้นเขาทางก็พอหลอมเท่านะทางหนูนะไม่ใช่ทางคนนะปาเกเพลกเมื่อเดือ เต่ไปเตไปขาเตะไปไหนก็ไ ป, ไ ป, ก, ไปกับขามาันเตะไปเตะไปชนก้อนหินก็หลบไปทำ ข, ขึ้นหน้าผาบางทีขึ้นไปแล้วมนเจอหน้าผา <c oughs> ก้อนหินดูกลางคื น, นไม่มีไม่มีทางนะก็ไปกลับมาขึ้นมาถึงวันสองทุ่มจากโกปงถึงวันนะสองทุ่ม ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรงูก็จะมากัดเราเสือก็มีนะ่มันมีก็มีเ้มันสู้เสือทุกท่าโจงนี่นะทำอะไรก็ทำเถอะพวกเราสามที่สีปีนี่ก็ลังดีอย่าไปห่วงอะไรอะไรอววรเรื่องไหนต้องสู้สักหน่อยอาอย่างพระเจ้าอ๋อย่างพระสาวก มีเอาอย่างพระสงฆ์ในหมัองไทยมีมีครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเทียนสอนเราให้เรามีสติเหมือนอุ่นใจมนก็อยู่กับพ่อตลอดเวลานะตายก็ไม่กลัวอยู่ในป่านี่อยู่ในกติสนะิบห้านี่ค ลมแรงใช่ไหมก่อนต้งไม่ร่มคุมคค้มค่ำคุ้มคำไม่ก็จะไ่ล่มทับเรานอนอยู่ในกติไม่คิดกลัวอะไรนะจ้างยอกก่เ น, นี่ยเอ๊เอ๊กมันก็ไปใกล้ๆแล้วก็เจอไฟทิ้งลงกติมันก็หนีไป ก็ไม่คิดขวงนีก็จะไม่ล่มทําเรานะก็ดีวันนั่นก็ไปออกไปเทศเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อจังหวัดนครสวรรค์เอ่อเอัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วมันเข้าไม่ถึงบ้าน เดินไปต่มานั่นผอก็ขอเยอะไปถึงด่านตำรวจก็ฉายไฟ ใ, ใส่จีวนลวงเขาจะไม่เห็นว่าเราคือใครฉายไฟกลางคืนฉายไฟส่งให้เขาเห็นจีวรผ่านเวลานล่ะเอ้ามาอย่างไงเนี่ยอันตรายแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นจีวนยิงทิ้งเรานั้นเนี่ย <laughs> โอ้ยิงก็ยิงอย่างนันเลยวะจะไปเทศบ้านหนองดินดาบ้านนาทองคําบ้านนาทองคําไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปไม่ได้ครับครับอ้าไปได้ไงจะประเทศพวกในชาวิมันจะไม่ทันนะไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปนี่มันมีอันตรายนะกลับยังไงเนี่ยเข้าไปพักบ้านเนี่ย พระ ก, ก็พาเราไปสิบ้านอยู่ที่ไหนล่ะมันไม่รู้อยากตำรวจพาไปไปส่งให้ไปพักที่วัดเขากลับมาไม่รอมทับกติหลังตาอยู่แรกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ทนนั่นมันไม่น่าจะล้มมานะมันก็รัวก็โปกกติมันก็ให้เห็นว่ามันต้องล้มไปทาง น, น้น กลับมาที่ไหนมัน่มกลับมาทาก็ตดืแหบบลกไปเลยกแบบ็ยิ้มไม่สลดใจอนะ่ะถ้าเรานอนอยู่ก็ทับพอดไีไม่เคยกลัวนะสี่สิบห้าสปีเนะี่ย้เสือทุกท่าประโดธรรมก็เอาเถอะพวกเรา่ารอดีๆล้วรอไม่ตายแน่นอนไม่ตายนั่งให้ขาตังขาดตูนั้งเอวตังขา ด, ดตาดดูนะะไปกลัวอะไร ยังคิดเฉยก็กัวแล้วงันม่องน้องก็อ้าปากหาวหยดลอยโยนเดยอาชิตเลยก็วนไห้ไปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จิตของเราวันทีก็ถ้ามีสริเออดีดีถ้าหลงเอ้ยไม่ดีดีไม่ดีดดผิดถูกรู้หลง ได้ไม่ได้ปติติจริงอยู่เนะ่รู้รู้รู้เนะสติจริงนะรู้ไม่ใช่ผิดก็ผิดไปทางไหนไม่ชอบถูกก็เออดีดีไม่ใช่รู้เนะยรู้เนะยมั่นคงนะไม่หวั่นไหวในความผิดความถูกไม่หวั่นไหวในความสุขความทุกข์ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ มีสัมชะมีสติเนี่ยพระเจ้าสอนตรงนี้แล้วก็มาความพอใจออกมาเนี่ความไม่พอใจออกมานี่ได้ถอนความพอใจออกมาเนี่ยได้ถอนความไม่พอใจออกมาตรง น, นี้นี่จึงจะเรียกว่าปฏิบัติถ้าเอาความพอใจเอาความไม่พอใจอยู่ไม่ใช่นักปฏิบัติเลยยังเป็นอนุบาล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 พอจะไหวมันเป็นเขือ่อนการอยู่อย่างนี้คืออะไรสมาธิสมาสมาธิสรเป็นออกแกวทุกสระทุกส่วตัวสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตางั้นหลงลู้วันทุกลู้วันสกุกลู้นี่สมาธิอาใช่หลับตาหลับไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> สมาธิที่คำจัดกิเลสมันหลงรู้หันรู้รู้หันโศกรู้หันทุกรู้ถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่สมาธิไม่ถึงมรรคปเดชผาหลงรู้รู้ก็รู้อะไรก็รู้อะไรก็รู้ตรงนี้แน่นอนปฏิบัติธรรมเป็นทักษสมาสติเป็นทักสมาสมาธิ มีไหมมันหลงไหมมลูกมีไห ม, ม, ม, ไหมชอบของมลูกหรือชอบความหลงเวลามันหลองอ่ะวันนี้ไม่ไหวเลยหนูแย่เลยเป็นผู้แย่ในความหลงหรอง่วงก็ง่วงเครียดก็เครียดเป็นผู้เครียดในความหล ง, ล ง, ง, ง, ง, ล ง, ลงเป็นผู้เครียดในความง่วงไม่ไดีหรือผมงอง ให้มันเป็นเรื่องดีไม่ได้เลยเออดีหัวล้อมันเออง่ ว, ว ง, งดีแล้วจะได้ไม่ง่วงจะได้ช่วมันเห็นงูจึงพ้นจากงูอันโยคอใส่ถ้าไม่เห็นก็ไปชนกันมันก็กรัดออกเห็นงูจึงพ้นจากงูเห็นหลงพ้นจากหลงเห็นลูกพ้นจากลูกเห็นสุขพ้นจากเห็นทุกข์พน้พนจากทุกข์มันดีแล้วเห็นนะ่ะ ไม่ต้องไปชอบค้นหามันที่ไหนมันออกมาออกมาให้เห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปกายก็จะผ่านกายมันโฉโฉเรื่องอะไรตั้งกายมีตัวมีตนเกิดจากกายเยอะแยะหลงที่กายเยอะแยะักว่ากายไปจะ สักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมสักว่าไปงั้ักว่ามันคยนอะคือรู้นะรู้นะรู้นะนะสักตว่าทะรู้รู้มันไม่ใช่เป็นการพูดเป็นการกระทาของเราจะให้นอนชาเกินไปด่วนๆสักหน่อยฟรีเว่จะมีไปเขียวไฟแดง อย่าหาเวลาไม่ต้องหาเวลายินดีมากๆผูดด่าปลาลูกความเปลี่ยนต้องทําให้สนุกสนานไม่ใช่ความเครียดไม่ใช่อยากลู้มทำเฉยเฉยดูซื่อๆตัวซื่อๆลู่ซื่อๆอะไรเออยนี่ดีอันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่าไปสนใจลู่ซื่อๆไปก่อนลู่ซื่อๆไปก่อน ให้หมันชื่อๆไปก่อนอย่าให้มีค่าอย่าให้ความหลงมีค่าอย่าให้ความรู้มีค่าอย่าให้ความสุขมีค่าอย่าให้ความทุกข์มีค่าอาศัยกรรมฐ า, านไปที่ตั้งการกระทำเป็นที่ตั้งตั้งไหวตั้งไหวตั้งไหวตั้งไหานี่ <gelecek> หลงตาก็ลุวนๆหลัหลงๆเจ็บ่ปวดปีนี่ บางที่ถ้าเป็นวางคนเจ็ดสิบกว่าปีหลงนะจาลูกไปได้นะไม่ว่าเกือบจะไปคานสวรรค์ น, นึกว่าขอนวนวันที่ห้าสั่งเสียจนนั่นแหละเอมามามาดูคนหมูว่าไปสบายคนหมูว่าไม่ใช่วันนี้ มีนาโนนอ๋อมีนาไงว่าเมื่อเนยวันที่ห้ากุมพานะไม่ใช่วันที่ห้ า, ม, า, นะ ม, หามีนาเออลงอดีแบบนอนหรือว่าจะไปอาจารย์โนดบอกว่ า, วาพักผ่อนสักหน่อยจะพักอะไรนะแ้่ก็ไปงานเนี่ยงานนี่มาไม่ใช่อะไรดอก เพื่อนกันหลวงพ่อศรีมาอยู่ด้วยมาตั้งสลาน้ํามุดน้ำตั้งเสาด้วยกันหลวงพ่อศรีมาอยู่กับหลวงตาที่นี่มามุดน้ำตั้งเสาสลานิมน้ําให้หลวงพ่อศรีเป็นคนอาอ้านตั้งลานใบยกเสาให้ หลงตาเป็นคนมุดลงไปมุดลงไปก็โจมเสาในหน้ามันเบานะเสาเอามาใส่หลุมหลุมก็ขุดลงไปหน่อยๆก็มุดหน้าลงไปตั้งเสาไดนะ้ก็ทำหน้างานกันแล้วนี้เราตายไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านไปสอนลูกหลานเปิดปฏิบัติธรรมแต่เราตายไปแล้ว จะลูกหลานหลวงพ่อศรียังดำเนินเืิร อ, อยของพ่อใหญ่เขาอยู่ไม่ไม่มีทุกปฏิบัติทุกปีไม่มีหลวงพ่อศรีเขาเป็นลูกหลานก็ททำกันอยู่ศรัทธาไปเจ้าภาพเองนล่วก็ยอยากไปบ้านน้อยเท่ากับบ้านใหม่เราเนี่ยสี่สิบล้านซาเลนไปรูหลวงพ่อศรี ก็ไปช่วยเขาไม่ใช่ยิ่งใหญ่จัากจะไปน้อยๆอย่นงนี้เอานัาก่อมีนาไม่นาแล้วดอกไม่ใช่กรมภาระว่าเป็นกรมพาเตรียมตัวแล้วนะอนก็เลยในช่วงนี้อาจจะไปอาหาหวานช้กหน่อยดีไหม แต่ารย์ไารไม่ขี้อวดเขาทำกติให้อยากไปดูชักหน่อยถ้าไปนะถ้าไม่ไปก็อ่ะกลาบไปฟอมกัน